เพราะฌานห้าก็คือฌานสีนั่นเองเป็นแต่ขยายละเอียดออกไปตามแนวอภิธรรมและฌานที่ห้าตามแนวอภิธรรมนั้นก็ตรงกับฌานที่สีในที่นี้นั่นเองฌานที่แยกเป็นสี่เรียกว่าฌานจตุ ก, กนในเป็นแบบหลักที่พบทั่วไปในพระสูตร ส่วนชาญที่แยกขยายออกเป็นห้าตามแนวอภิธรรมเรียกว่าชาญปัญจการในชาญสี่นี้ควรจะกล่าวถึงในบทว่าด้วยมักตอนสัมมาส ม, มาธิในภาคปฏิบัติข้างหน้าแต่เมื่อเอ่ยถึงในที่นี้แล้วก็ควรทำความเข้าใจเล็กน้อยชาญแปลว่าเพ่งหมายถึง ภาวะจิต ท, ที่เพ่งอารมณ์จนแน่วแน่ได้แก่ภาวะจิต ท, ที่มีสมาธินั่นเองแต่สมาธินั้นมีความประณี่สนิทชัดเจนผ่องใสและมีกำลังมากน้อยต่างๆกันแยกได้เป็นหลายระดับความต่างของระดับนั้นกำหนดด้วยคุณสมบัติของจิต ท, ที่เป็นองค์ประกอบร่วมของสมาธิในขณะนั้ น, น, น องประกอบเหล่านี้ได้แก่วิตกการจรดจิตลงในอารมณ์วิจาร์การที่จิตเคลา้าอยู่กับอารมณ์ปีติความอิ่มใจสุขอุเบกขาความมีใจเป็นกลางและเอกคัตตาภาวะที่จิตมีอารมณ์แน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวคือตัวสมาธินั่นเอง ฌานที่มีรูปธปรรมเป็นอารมณ์คือรูปฌปานท่านนิยมแบ่งออกเป็นสีระดับมีองค์ประกอบที่ใช้กำหนดระดับดังนี้ 1. ปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งมีองค์หคือวิตกวิจารปิติสุขเอกะขะตา 2. ทุติยฌานคือฌานที่สองมีองค์สาม คือปีติสุขเอกคตา 3. าตติยะฌานคือฌานที่สามมีองค์สองคือสุขเอกคตา 4. จ่จตุตถฏฌานฌานที่สมีองค์สองคืออุเบขาเอกคตา ชาญที่สูงขึ้นไปกว่านี้คืออรูปชาญก็มีองค์สองคืออุเบขาและเอกคัตาเหมือนจตุทตาชาญแต่กำหนดอรูปธรรมเป็นอารมณ์และมีความประนีตยิ่งขึ้นไปโดยลำดับตามอารมณ์ที่กำหนดอรูปชาญสีแต่ละข้อมีคำบรรยายก่อนหน้านี้แล้วซึ่งตรงกับวิโมกข้อ 4-7 ถึงจจึงไม่ต้องพูดถึงอีก ชาญอาจใช้ในความหมายอย่างหลวมๆโดยแปลว่าเพ่งพินิษกรุ่นคิดเอาใจจดจอ่อก็ได้และอาจใช้ในแง่ที่ไม่ดีเป็นชาญที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิเช่นเก็บเอานิวรห้าคือกามราคะพยาบาทความหดหูความกลัดกลุ้มวุ่นวายใจความลังเลสงสัยไว้ในใจถูกอกุศลธรรมเหล่านั้น ลุ่มรุมใจเฝ้าแต่กรุ่นคิดอยู่ก็เรียกว่าฌานเหมือนกันหรือกิริยาของสัตว์เช่นนกเขาแมวจ้องจับหนูสุนัขจิ้งจอกจ้องหาปลาเป็นต้นก็เรียกว่าฌานซึ่งในด้านนี้ใช้ในรูปกิริยาศัพท์บางทีก็นำมาใช้แสดงความหมายด้านวิปัสสนาด้วยโดยแปลว่าเพ่งพินิจหรือคิด พิจารณาในอัธกถาบางแห่งจึงแบ่งฌานออกเป็นสองจำพวกคือการเพ่งอารมณ์ตามแบบของสมถะเรียกว่าอรัมมานูปนิชฌานได้แก่ฌานสมบัตินั่นเองการเพ่งพิจารณาให้เห็นไตรลักษ์ตามแบบวิปัสนาหรือวิปัสนานั่นเองเรียกว่าลักคนูปนิชฌาน ในกรณีนี้แม้แต่มรรคผลก็เรียกว่าฌานได้เพราะแปล ว, ว่าเผากิเลสบ้างเพ่งลักษณะที่เป็นสุญญาตาของนิพพานบ้าง